บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธาชนทั้งหลายสืบต่อไปฐานที่ทรงแสดงไว้แต่ละข้อนั้นในช่วงแรกมุ่งขัดเกลาจิตให้เกิดความสงบโดยการให้บุคคลผู้ปฏิบัติ ตั้งสติระลึกในจุดของอารมณ์นั้นๆจนบังเกิดความสงบขึ้นแล้วในช่วงต่อไปก็นำอารมณ์นั้นเองยกขึ้นพินิษพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาซึ่งทรงใช้คำว่าลักขณูปนิชาน ได้แก่การเข้าไปเพ่งดูลักษณะของสิ่งเหล่านั้นแม้ในอนาปานสติกรรมฐานคือกรรมคือกรรมฐานที่ทำใจให้สงบด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันทรงแสดงไว้เป็นการดำเนินไปของจิตสู่ความสงบ ตามระดับและในขณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติไปนั้นมีปัญหาที่จะต้องใช้ธรรมะสามข้อคืออาตาปีความเพียรที่แรงกล้ามากพอสามารถขจัดแผดเผากิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นให้บรรเทาไปจนถึงกำดับไป และมีสัมปชานะคือความรู้ทั่วพร้อมอันได้แก่สัมปชัญญะหรือตัวปัญญานั่นเองสัมปชานะที่จะต้องใช้นั้นเนื่องจากเป็นงานที่ประณีตละเอียดจึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่ลักษณะด้วยกันประการแรกคือต้องรู้ ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่จิตกําหนดรู้อารมณ์อยู่นั้นก็ให้ตามรู้จิตว่าในขณะนี้จิตของตนเป็นอย่างไรอยู่ในครองกรรมฐานหรือว่าออกไปนอกครองกรรมฐานกำมังมีความ ตีติเอื้อปิมหรือว่ากำลังหดถู่เบือ่อตายเป็นต้นแล้วก็แยกให้ออกว่าในส่วนใดที่เป็นประโยชน์ก็เสริมสร้างให้ดํารงมั่นคงขึ้นภายในจิตใจส่วนใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ขจัดออกไปประการต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้รู้ถึงโคจระสปายะ คือโดยเฉพาะในขั้นของการปฏิบัติได้แก่ในขณะที่นั่งปฏิบัติจุดนั้นจิตก็จะดำเนินไปเรื่อยในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งบางคราวการดำเนินไปของจิตก็อาจจะสร้างความสับสนความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างเช่น อาการของสมาธิกับอาการของถีนมิทะที่มีจุดหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกันได้แก่การเริ่มไม่ได้ยินอะไรซึ่งลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งในถีนมิทะและในสมาธิแต่ว่าที่เป็นถีนมิทานั้นเป็นการเครื่อนไปรูปหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็หลับไปคือไม่รู้อะไร ส่วนที่เป็นสมาธินั้นแม้จะไม่รู้เรื่องภายนอกแต่ก็รู้แนบแน่นจกกับอารมณ์ความสงมบปรากฏขึ้นเด่นชัดภายในจิตของบุคคลอุ้นเพราะฉะนั้นทางเดินของจิตจึงต้องพยายามควบคุมด้วยสติอยู่ตลอดเวลาว่าการดำเนินไปของจิตนี้เข้าสู่ความสงมบหรือไม่เข้าสู่ความสงมบ เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าเนเพื่อความหลงลืมหรือว่าเป็นไปเพื่อความสงบสงับจากอารมณ์และกิเลส ท, ทั้งหลายก็ต้องมีความรู้เท่าทันเพราะทํามอย่างนั้นแล้วก็เปรียบเหมือนการเดินไปหรือว่าขับยานพาณิชไปถ้าหากว่าไม่รู้แน่ชัดถึงการไปในขณะนั้นๆ บางคราวก็อาจจะหลงทางไปใช่ไกลว่าจะกลับได้ก็ต้องเสียเวลาอยู่เป็นนันมากสามประชนะหรือว่าสามปัญญะท่านจึงแปลว่ารู้ทั่วพร้อมคือหมายถึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและรู้พร้อมในขณะนั้นๆไม่ใช่เรื่องผ่านไปแล้วจึงจะรู้ประการที่สามนั้น เรียกว่าสัปายะสัไปชันะคือจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบายเป็นปัจจัยหนุนให้ความสงบจิตปรากฏขึ้นได้เร็วหรือว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นานในข้อนี้ได้จำแนกแสดงไว้หลายอย่างเช่นว่าอุกะละสัปายะ คือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับดันจะต้องมีลักษณะเสริมส่งสนับสนุนให้จิตใจมีความชื่นชมยินดีในการที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นอาหารและสัพพายะอาหารที่บริโภคมา น, นั้นจะต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าหากว่ามากเกินไปใจก็จะน้อมไปสู่นิวรณ์ ถนมิทถ้าหากว่าน้อยเกินไปใจก็จะน้อมไปสู่อุทธจักกุกจะคือความพุ่งสั้นรำคาญเนื่องจากเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเหล่านั้นเป็นเหตุและเสนาสนะส ป, ปายะคือสถานที่อยู่รวมถึงอิรยิยาบถที่ใช้ต้องมีลักษณะเอื้ออำนวยให้เกิดความสงบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวธรรมสัปปายะได้แก่อารมณ์ที่ใช้กำหนดระลึกในขณะนั้นนั้นแม้ในานาปานสติกรรมฐานท่านก็ได้สดแสดงไว้โดยนิยพิสดานคือหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้เกิดสัปปายะคือความสบายสมบูรณคคุนั้นนั้นเข้าตำานองที่เรียกว่าลังเนื้อชอบหลังกจ และข้อที่4ที่เรียกว่าอาัมโมหะสัมปชัญญะคือต้องไม่หลงในการปฏิบัตินั้นดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่ามันเหมือนกับการเดินทางของบุคคลเดินไปในหนทางที่ไม่เคยไปยอมประสบสิ่งที่แปลกแปล ก, ปลก ใ, หใหม่เกิดขึ้นด้วยอาการต่างๆบางครั้งก็เป็นอาการของนิมิต บางครั้งก็เป็นอาการของปีติบางครั้งก็เป็นอาการของความสุขอย่างอ่อนและบางครั้งก็เป็นความสงบระงับของกายยสังขารคือลมหายใจเข้าออกความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้บาเพ็ญเพียรทางจิตตามสงควรแก่การปฏิบัติของบุคคลนั้นแต่บุคคลจะต้องเข้าใจว่าอาการทั้งหมดนั้น เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสงบของจิตใจเท่านั้นไม่ใช่ตัวสมาธิอันเป็นจุดหมายปลายทางที่ตนจมหนกบังต้องไม่หลงติดไม่หลงเพลิดเพลิอพอนอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าหากว่าไปหลงติดหลงเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เปรียบเหมือนคนเดินทางที่แวะหาความสนุกสนานไประหว่างทางอยู่เรื่อยๆ โอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ช้าเข้าและบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงเลยโดยทำไปและข้อต่อไปก็คือสติได้แก่ระลึกทรงใช้คำว่าสติมาคือความเป็นผู้มีสติซึ่งก็หมายความว่าเนื่องจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นงานที่ประณีตอย่างที่ทราบกันอยู่ การเผล อ, รอหรือขาดสติไปแม้ในช่วงใดช่วงหนึ่งจิตก็อาจจะออกไปนอกครององกรรมฐ า, านได้เป็นอันมากและกว่าจะกระตุกกลับมาได้ก็ต้องสูญเสียเวลาไปบางครั้งการนั่งเพียงคราวสองคราวไม่อาจจะกระตุกกลับมาโดยจำไปเมื่อได้อาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะอย่างสำคัญทั้งสามประการนี้แล้ว พระทรงแสดงว่าให้บุคคลพยายามขจัดคือหมายความวัธรรมทั้งสามประการนี้เมื่อปฏิบัติได้ตามเหมาะตามควรแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่เรียกว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้อันเป็นอาการของกิเลสสายโลภะซึ่งปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆให้บรรทอประปางลงไปและโทมนัส ความขุนใจความไม่พอใจตลอดทั้งพวกทุกเวทนามีประการต่างๆให้ออกไปการดำเนินจิตไปในครองของกรรมฐานนั้นทรงแสดงมาโดยลำดับคือว่าให้ตามรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกยาวสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้นต่อแต่นั้นก็ให้รู้ ความสงบประับของกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกที่เปลี่ยนแปลงไปในักในลักษณะที่อ่อนลงบ้างหรือรู้สึกคล้ายๆจะหายไปบ้างและให้กาหนดรู้กองลมคือการตั้งขึ้นของลมทั้งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกบันไดทั้งสี่ขั้นนี้เป็นการตั้งสติกหนดระลึกอยู่ที่ลม มุ่งความสงบเป็นหลักสำคัญเมื่อจิตใจมีความสงบอยู่กับลมโดยลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้วในขณะนั้นนิวรทั้งห้าประการก็จะสงบระงับลงไปตามสมควรญาณหรือปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นัน้น ในช่วงต่อไปจึงส่งสอนในรูปของลักคนูปนิชยัยคือการใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาลักษณะของลมหายใจเข้าออกปัญญาคืออะไรปัญญาแปลกันว่าความรอบรู้ถึงความเป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงลักษณะของความรู้นั้น เมื่อแบ่งโดยสรุปแล้วก็ออกมาเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกคือการรู้แบบสัญญาสัญญาหมายถึงว่าเรื่องที่ตนได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาแล้วก็รู้ไปตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้การรู้ในลักษณะนี้สำหรับคนที่ได้ผ่านการศึกษาแล้วเรียนกันมาแล้วก็รู้กันได้ทั่วไป จันรู้ว่าค่าสัตว์เป็นบาปลักทรัพย์เป็นบา ป, เ ป, บาปเป็นต้นแต่ก็ละไม่ได้การดื่มสุราไม่ดีก็รู้แต่ก็รู้แบบสัญญาสําหรับตนเองก็ไม่อาจที่จะเลิกละหรือ ง, งดเว้นการดื่มสุราได้เป็นต้นอย่างนี้ท่นานญาตเรียกว่าเป็นความรู้แบบสัญญาตัณฑ์อุปมาเหมือนความรู้กหาปะนะของเด็กหรือรู้เงินรู้ทองของเด็ก ผู้ใหญ่เขบอกว่านี้เงินบาทเดียนบาทเดืยนร้องบาทแกก็รู้ไปตามนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้เลยขึ้นไปกว่านั้นในขั้นของรายละเอียดรู้ประการที่สองนั้นเรียกว่าวิญญาณโดยมากมักจะแปลว่ารู้วิเศษจะรู้แจ้งเป็นความรู้ที่มีความประณีตขึ้นละเอียดขึ้น สามารถที่จะแยกอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธตภัณนั้นก็เรียกว่าจะขววิญญาณรู้ทางตารู้ทางหูเป็นอาทิแต่ว่าในขั้นของรายละเอียดจริงๆแล้ววิญญาณก็รู้ไปไม่ถึงท่านอุปมาเหมือนความรู้ของบุคคลที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคือรู้ตนบัต ไแล้เท่าไรเป็นต้นแต่ว่าในขั้นรายละเอียดว่าปลอมหรือไม่ปลอมพิมพ์รุ่นไหนพิมพ์เท่าไร่พิมพ์เมื่อไรเป็นต้นนี่ก็ไม่รู้ส่วนในขั้นของปัญญานั้นท่านเรียกว่ารอบรู้คือรู้รอบหมายถึงรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างใครท่านอุปมาเหมือนกับขุนคลังที่รู้เรื่อง ก็หาปัญะรู้เรื่องของทนระบาดแต่ละใบแต่ละรุ่นโดยละเอียดถูกต้องดังนั้นการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงก็เป็นกายประเภทหนึ่งเป็นการสอนให้เริ่มค่อยๆ พ, พินิษพิจารณาไปในแต่ละช่วงท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาลตลอดไปในขณะที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้ศีลก็เป็นไปแล้วโดยอัตโนมัติเพราะว่ากายกับวาจาไม่ได้กระทำทุจริตอะไรและในขณะเดียวกันการกำหนดใจไปตามลมหายใจเข้าออกโดยหลักของสมถกรรมฐานหลักของนาปานสตินั้น ก็เป็นสมาธิอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันคือศีลที่บุคคลรักษาสมาทานดีแล้วก็ก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจัยหนุนคราแรก ก็คือศีลกับสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจในขณะนั้นประการที่2ก็คือการน้อมนึกไปโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกที่ตามดูกันมาเป็นเวลานานนั่นเองในชั้นแรกให้ดูลมหายใจให้ดูกายทั้งที่เป็นภายในและกายทั้งที่เป็นภายนอก คำว่ากายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกนั้นคืออะไรโดยหยาบหยาบทั่วไปแล้วกายที่เป็นภายในก็คือกายเรากายที่เป็นภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อมองดูไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าชีวิตแต่และชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออก ซึ่งเป็นกายสังขารปนเปืออยู่ถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกเกิดหายไปชีวิตทุกชีวิตก็ต้องจบสิ้นกันความแตกดับแห่งชีวิตก็จะปรากฏขึ้นนี้ถือว่าเป็นการดูในอย่างยาก ป, ประการต่อไปนั้นกายภายในกับกายภายนอกก็คือว่าในส่วนประกอบของกายนั้น มีอยู่เป็นอันมากอย่างเช่นอาการสามสิบสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นต้นแต่ละส่วนนั้นก็เรียกว่ากายคำว่ากายแปลว่าอะไรคำว่ากายนั้นออกมาจากคำสองคำคือกุกับอายะแปลว่าแหล่งที่มักที่สะสมสิ่งที่สกปรกน่าเกลียดเอาไว้ด้วยประการต่างๆ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าบุคคลจะจับส่วนใดของกายขึ้นมาส่วนประกอบของกายแต่ละส่วนนั้นล้วนแล้วแต่หน้าเกลียดส ก, กรปรกไปด้วยประการต่างๆไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดของสิ่งนั้นๆกุอายะนี้เองที่ท่านเรียกว่ากายเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนซึ่งมาประกอบกัน กลายเป็นกายส่วนใหญ่นั้นเมื่อบุคคลดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายอันเรียกว่ากายภายในอาการอย่างอื่นเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ถือว่ากายภายนอกคือนอกจากลมหายใจเข้าออกเป็นการดูส่วนย่อยแล้วก็เทียบเคียงกับส่วนใจ ในที่สุดก็จะมองเห็นความเป็นอันเดียวกันของกายทั้งที่เป็นภายในและกายที่เป็นภายนอกคือเป็นแหล่งที่ประชุมของสิ่งที่ตักโปรกน่าเกลียดแม้แต่ว่าเวลาท่านเรียกรวมของกายซึ่งประกอบด้วยขันธ์ธาตุนยัยตนเป็นต้นว่าบุคคลอันที่จริงคำว่าบุคคลนั้น แปลว่าบุคคลแปลว่าสัตว์ผู้เคี้ยวกินของที่ไม่สะอาดข้อนี้จะเห็นได้ว่าอาการที่อาหารที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายของคนเรานั้นล้วนแล้วแต่ของที่ไม่สะอาดทั้งที่ก่อนจะบริโภคทั้งในขณะที่บริโภคและในขณะที่เคี้ยวเข้าไปตลอดถึงกลืนกินเข้าไป ในการสอนขั้นของกรรมฐานส่วนนี้ที่เรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาบ้างในส่วนปฏิกูลระประภะบ้างก็ทรงสอนให้พิจารณาแยกแยะให้เห็นว่าแต่ละส่วนที่นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่ได้เรียกว่าอาหารนั้นมีความปฏิกูลปฏิกูลน่าเกลียดสกรปรกอยู่ด้วยประการต่างๆ ร่างกายของบุคคลก็เปรียบเหมือนป่าช้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมซากสัตว์เอาไว้น า, นานาชนิดเป็นอันมากและนอกจากนั้นก็ยังมีตัวพยาธิตัวนอนอะไรอีกมากมายเลยก่นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการเรียกว่ากายที่แลร่าแหล่งสะสมหมักผมของไม่สะอาดนั้นจึงเป็นความถูกต้องทำไมจึงทรงสอนให้ดูในลักษณะอย่างนี้ ขอนี้ได้ปดเปรดข้อใจว่าการแสดงเรื่องกายคตาสติหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นการสอนสำหรับบุคคลที่มีตันหาจริตคือมีพื้นจิตที่กำหนัดติดในรูปกายในสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุเกือบ จ, จะหลงติดในรู ป, ปรวัตถุที่เป็นของของตน แล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาความหลงความติดความกำหนดในรูปวัตถุหรือรูปกายที่เป็นภายนอกเพราะฉะนั้นจึงเริ่มสอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปแต่ละส่วนโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นจุดเริ่มต้นของการพินิจพิจารณาชั้นแรกก็ให้ดูกายที่เป็นภายใน กับกายที่เป็นภายนอกโดยมองให้เห็นความเป็นอันเดียวกันคือความเป็นของที่ไม่สะอาดและประการที่สองก็ให้ดูในช่วงของความเกิดขึ้นที่เรียกว่าธรรมดาคือความเกิดขึ้นของกายจะเห็นได้ว่าความเกิดขึ้นของกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอันมากจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะคืออวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจไม่มีความบกพร่องแล้วก็มีอากาศให้บุคคลนั้นหายใจเป็นต้นลมหายใจจึงสามารถเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปได้การดํารงอยู่ของชีวิตนั้นก็เป็นไปได้ความเกิดขึ้นของกายแต่ละส่วนแม้ในส่วนหนึ่งอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ประกอบด้วยตันหาจริต จ, จะไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลักษณะความยึดติดของจิตสมหรับคนที่เป็นตันหาจริตนั้นบางคราวอาจจะยึดหมดทั้งรูปนั้นได้ที่ทรงใช้คาว่ายึดถือโดยนิมิตเช่นยึดถือรูปทั้งรูปว่าสวยเสียงเหล่านั้นว่าไพเราะกลิ่นนั้นว่าหอมรสนั้นว่าอร่อย นั้นน่าจัต้องเป็นต้นคือยึดถือไปทั้งชิ้นทั้งอันแหล่อีกประการหนึ่งนั้นเป็นการยึดถือในลักษณะที่เป็นส่วนย่อยที่เรียกว่าอนุพยัญชนะคือแยกถืออย่างว่าแยกถือในร่างกายอาจจะยึดถือว่าผมสวยตาสวยคิ้วสวยปากสวยเป็นต้นก็แยกเป็นส่วนๆไปนี่ในส่วนที่เป็นรูปในส่วนที่เป็นเสียงก็แยกถือโดยลักษณะเช่นเดียวกัน แม้ในกลิ่นในรถในสัมผัสก็ทำนอกนั้นเพระเนาะฉะนั้นจึงทรงสอนให้รู้ทั้งที่เป็นส่วนย่อยและทั้งที่เป็นส่วนใจแต่การจะดูส่วนใหญ่ทีเดียวนั้นก็ดูยากจึงให้เริ่มจุดจากส่วนย่อยคือลมหายใจเข้าออกไปแล้วเมื่อดูถึงความเกิดธรรมดาคือความเกิดขึ้นของร่างกายแล้วดูไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นแต่ละส่วนได้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบกันเป็นอันมากและเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะต้องไม่มีความบกพร่องถ้าหากว่ามีความบกพร่องขาดไปเกินไปส่วนใดส่วนหนึ่งความวิปริตต่างๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลคนขนั้นแล้วต่อแต่นั้นก็ให้ดูในส่วนที่เรียกว่าเป็น ธรรมดาคือความเสื่อมไปของร่างกายโดยเริ่มมาที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองตอนนี้จะเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าออกนั้นมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเวลาเริ่มหายใจเข้าก็เกิดแล้วในที่สุดก็ค่อยๆเสื่อมไปจนหมดก็ตั้งกองลมขึ้นมาใหม่หายใจออกก็เป็นเกิดแล้วก็เริ่มเสื่อมไปจนหมด ก็ถือว่าเป็นความดับหรือความเสื่อมไปของลมหายใจเข้าออกถ้าโดยเห็นได้ในจุดนี้ท่านก็จัดเข้าเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เดินมาได้ถึงสามชั้นของการปฏิบัติโดยทำไปคือในชั้นแรกการดูกายภายในและกายภายนอกนั้นถ้าหากว่าเห็นด้วยปัญญาจริงๆ ท่านก็จัดเป็นความรู้ในการกาหนดแยกนามรูปในช่วงของการดูความเกิดขึ้นของร่างกายนั้นถ้าหากว่าเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยสัญญาหรือว่าเห็นด้วยวิญญาณการเห็นอย่างไรที่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาหรือว่ารู้ด้วยปัญญาข้อนี้ท่านแสดงความรอบรู้เอาไว้เป็นสามช่วงด้วยกัน ช่วงแรกเป็นความรู้แบบสัญญาแบบบิญญานอย่างที่ว่ากัแล้วคือเมื่อผ่านมาเมื่อได้ยินมาก็รู้ไว้จาไวขั้นหนึ่งขั้นที่สองนั้นได้แก่นำสิ่งเหล่านั้นนั่นเองขึ้นมาพินิจพิจารณาให้รู้ถึงความจริงตามที่ท่านอาธิบายไว้ความรู้ในลักษณะนี้มีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากกว่าปกติ และความรู้ในขั้นของปัญญานั้นจะต้องเป็นความรู้แล้วสามารถที่จะละได้อย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นนั้นคือถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในกายตนและกายของบุคคลอื่นไปได้ในช่วงของการดูความเกิดถ้าเป็นการรู้เห็นด้วยปัญญาจริงๆท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณ คือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งความเกิดของกายเป็นต้นในช่วงที่ดูของความเสื่อมไปหรือความดับนั้นท่านก็เรียกว่าพังกาญาณคือความรู้ในส่วนความดับข้อนี้จะเห็นได้ว่าการดูความเกิดดับ เป็นการช่วยผ่อนคลายความหลงความบวบเมาความกำหนัดในสิ่งทั้งหลายลงไปได้เพราะโดยปกติแล้วถึงแม้ว่าคนจะรู้ว่าคนเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาก็ตามแต่เป็นการรู้ด้วยสัญญากับรู้ด้วยวิญญาณอย่างที่ได้ว่ามาแล้วบางคราวถึงแม้ร่างกายจะถูกพ ล, ลภาพ ความตายปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ยังแสดงความโลภความอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยู่อันแสดงว่าความรู้เหล่านั้นถึงแม้จะมีก็มีในรูปของสัญญาเต่นั้นเองแต่ไม่ได้ทราบซึ้งถึงใจอะไรแล้วเมื่อบุคคลได้ดูในส่วนที่เป็นความเกิดในส่วนที่เป็นความดับแล้วต่อแต่นั้นความรู้สึกถึงความมีอยู่ของกาย ถามาบุคคลผู้นั้นจะเห็นด้วยปัญญาดังที่ว่ามาแล้วก็จะเป็นการเห็นว่ากายนั้นเป็นการมีอยู่แบบสมมติเป็นการมีอยู่เพราะอาศัยเหตุปัใจจัยให้มีอยู่จึงสามารถใช้เป็นเครื่องเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตเท่านั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะถ่ายถอนความกาหนัด ความพอใจความติดใจในกายลงไปได้ความรับรองการมีอยู่ของสิ่งทั้งหลายก็เป็นการรับรองในฐานะของสมมติสัจจะคือความจริงตามโลกตามโบหารของโลกตามความสมมุติของชาวโลกแต่ว่าในส่วนจิตใจของบุคคลผู้นั้นแล้วจะไมไ่ยึดถืออะไรอะไรในโลกเมื่อจิตใจไม่ได้ยึดถือมากเท่าไหร่ ความทุกข์ความเดือดร้อนความกระวนกระวายใจก็สงบระงับลงไปได้มากเท่านั้นต่อเมื่อใดบุคคลสามารถถ่ายถอนความยึดถือในรูปแบบทั้งปวงออกไปได้เมื่อนั้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความทุกข์คือปณิพานอันเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป